บทที่4ความเป็นมาแห่งผู้สร้างนาครปาตลีบุตรตอนเดินเข้าสู่หลุมพรางแต่ความดีของมนุษย์ปุถุชนนั้นใคลเนื้อที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อคลุกคลีกับนอนเข้าก็อาจกลายเป็นนอนไปด้วยได้ เช็คเช่นความดีงามของอาชาสัตรูราชกุมารเมื่อมาคลุกคลีกับพระเทวทัตพระใจบาปเข้าความดีนั้นค่อยๆลดปริมาณลงความชั่วความคิดร้ายค่อยแทรกซึมเข้าไปในดวงใจแทนที่ความดีซึ่งลดน้อยลงนั้นด้วยเหตุนี้เองกระมังพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพิจารณาดูโดยรอบคอบแล้ว เมื่อกล่าวถึงสิ่งภายนอกไม่มีอะไรสามารถบิดเบือนหันเหจิตใจคนให้ไปในทางร้ายหรือทางดีมากเท่าการคบมิตรพระเทวทัตออกบวชรุ่นเดียวกับพระอ น, นุลพุทธอนุชาแต่เมื่อบวชแล้วได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าความจริงในระยะตน้นก็ตั้งใจประพฤติตนดีอยู่บำเพ็ญเพียรทำสมาธิจนได้ฤทธิ์แต่ฤทธิ์นี้เอง เมื่อไม่ได้รับการคุ้มครองโดยธรรมที่สูงกว่าฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์อาจจะใช้ฤทธิ์ไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นแล้วฤทธิ์ก็เสื่อมลงดังฤทธิ์ของพระเทวทัตเมื่อพระศาสดาประทับอยู่นโกสัมผีราชธานีแห่งแคว้นวังสะเวลานั้นพระองค์มีสาวกสงฆ์เป็นบริวารมากแล้วด้วยพุทธบารมีพุทธานุภาพลาภสกระปั จ, จัยทยธรรมเกิดขึ้นแก่สงฆ์อย่างล้นเหลือ แต่พระเทวทัตเป็นผู้ด้อยในทางนี้ไม่ค่อยจะมีผู้นำของไปถวายไม่สู้จะมีใครสนใจมากนะักเมื่อประชาชนเข้าไปฟังธรรมเสร็จแล้วมักจะมีของไปถวายพระถามถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระพัทยาพระอนนท์เป็นต้นแต่จะหาใครถามถึงพระเทวทัตไม่มีเลย เรื่องนี้ก่อความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นแก่พระเทวทัตเป็นอย่างยิ่งเราก็เป็นพระเขาก็เป็นพระพระเทวทัตรำพึงเราก็เคยเป็นราชกุมารเขาก็เคยเป็นราชกุมารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาด้วยซ้ำไปเหตุไฉนคนทั้งหลายจึงเอาใจใส่แต่เราเล่าทำไมจึงถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครยินดีเหลียวแลถ้าเราเกิดในตระกูลจันทานก็ช่างเถอะแต่นี่เราเกิดเป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติพระญาติพระวง์หรือก็ช่างใจไม้ไส้รกรรมหาความปราณีต่อเราไม่ได้เลยว่าโดยศักด์เราก็มีศักด์เป็นพี่แห่งชายาของพระาศาสดาทำไมคนทั้งหลายเพิกเฉยต่อเรา หรือพระโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้ยุแยให้คนทั้งหลายเกลียดชังเราเพราะผูกใจเจ็บในเรื่องที่เคยทะเลาะกันสมัยเป็นราชกุมารความน้อยเนื้อต่ำใจทํานองนี้เมื่อมีมากขึ้นก็กลายเป็นความริษยาและความเคยียดแค้นจริงจังว่าโดยความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างเป็นสิ่งมีประโยชน์แก่ชีวิต ถ้าคนรู้จักมองรู้จักใช้อย่างเรื่องของพระเทวทัศนี้ถ้าพระเทวทั์คิดเป็นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากภาวะแห่งสมณะการที่มีลาบน้อยมีสักการะน้อยนั้นเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเพราะเป็นโอกาสให้สะดวกในการบำเพ็ญสมณะธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ต้องกังวลวเรื่องลาบลาบสักการะนั้น เป็นเรื่องกังวลอย่างหนึ่งของบัรพชิตเหตุการณ์ได้ยื่นด้ามดาบให้พระเทวทัตแล้วสำหรับที่จะใช้เป็นเครื่องมือฟาดบันกิเลศให้ขาดสะบั้นลงแต่พระเทวทัตกลับไม่พอใจในด้ามดาบนั้นกลับไปจับปลายดาบมันจึงบาดมือพระเทวทัตเอง เรื่องคนกลั่นแกล้งกีดกันอีกเรื่องหนึ่งที่มีทั้งคุณและโทษเท่าๆกันเรื่องกลั่นแกล้งกลีดกันจะเป็นภัยอันตรายเป็นเครื่องบันทอนอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีจิตใจอ่อนแอเห็นอุปสรรคเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องน่ากลัวเมื่อถูกกลั่นแกล้งก็กีดกันเขาก็จะหมดกําลังใจในการทำดีทาประโยชน์ ในที่สุดก็คิดจะเลิกทาดีเลิกบาเพ็ญประโยชน์แต่เรื่องกลั่นแกล้งกียดกันนี่เองจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลผู้มีกำลังใจเข้มแข็งอดทนเด็ดเดี่ยวยิ่งถูกกลั่นแกล้งกรีดกันมากเท่าใดเขายิ่งมุกมานะทำความดีทำประโยชน์เพื่อเอาชนะการกลั่นแกล้งกรีดกันนั้นคนที่มีลักษณะลอยอยู่เสมอนั้น ใครจะกลั่นแกล้งเกียดกันหรือกดให้จมไม่ได้เมื่อถูกกดที่นี่ก็ต้องไปโปรโที่อื่นเหมือนมะพร้าวแห้งถูกกดให้จมน้ำพอวางมือมะพร้าวก็ลอยขึ้นเหนือน้ำหรือเหมือนพระอาทิตย์ซึ่งลอยเด่นอยู่เสมอจะต้องมีคนไม่มุมใดก็มุมหนึ่งของโลกมองเห็นพระอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาตรงกันข้าม คนที่มีลักษณะจมเหมือนก้อนหินแม้จะลอยอยู่เหนือน้ำได้เพราะมีบุคคลคอยเอามือรองรับไว้แต่พอปล่อยมือมันก็จมต่อไปเหมือนคนบางคนบางพวกที่มีลักษณะจมอยู่ในนิสัยลอยอยู่ได้เพราะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพอขาดผู้อุปถัมภ์ค้ำชูก็จมเอาตัวไม่รอด อาศัยร่มเงาจากกลุ่มเมฆจะยั่งยืนถาวรสักแค่ไหนคนที่มีความคิดจะคิดช่วยตัวเองอยู่เสมอใครช่วยเขาไม่ได้ภาคภูมิใจเหมือนได้ช่วยตัวเองทํามาหากินด้วยลําแข้งลําขาของตัวเองถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็มองหาข้อบอกพร่องของตนเองแล้วถือเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขต่อไป ชีวิตข้างหน้ายังมีอีกยืดยาวการได้บทเรียนจากความผิดพลาดเสียแต่ระยะต้นๆย่อมเป็นกําไรอย่างยิ่งของชีวิตเหมือนคนเดินหลงทางในเวลาเช้าย่อมมีเวลามากพอที่จะหาทางเดินให้ถูกก่อนพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าไปเดินหลงทางตอนตะวันรอนเสียแล้วพอจะหาทางได้ก็มืดค่าไม่สามารถออกจากป่าลึกได้ ชีวิตนี้มีเรื่องยุ่งมักคาแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสนดารดาษไปด้วยความหนาเหมือนป่าลึกป่าแห่งชีวิตจะมีใครบ้างนะที่ตั้งใจหรือพยายามเพื่อจะเดินออกจากป่านี้พระเทวทัตไม่ได้คิดให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตกลายเป็นสิ่งมีประโยชน์แต่คิดดิ่งลงไปในทางร้ายเรื่องร้ายก็เกิดขึ้น เราจะทำอย่างไรดีพระเทวทัตนั่งรำพึงอยู่ณนะแท่นหินโคลนต้นไม้ต้นหนึ่งจะยอมให้เหตุการณ์เยี่ยงนี้ดำเนินต่อไปหรือพระสมณโคโดมก็ดูเหมือนจะไม่สนใจต่อชีวิตของเราเลยเราเป็นคนอาภัพต่ำต้อยไม่มีทางอะไรบ้างรีเดียวหรือที่จะช่วยยกฐานะของเราให้ดีขึ้นเราเคยเป็นพระราชกุมารมีผู้แวดล้อมปรนิบัติ เวลานี้ไม่มีเลยเราเป็นผู้เดียวดายเศร้าหมองพระสมณโคโดมนี่เป็นมารร้ายใจดำอภิ เ, เษกสมรสกับยโสธาราน้องเราแล้วทิ้งเสียอย่างไม่มีเยื่อใยสมเด็จพระราชบิดาของเราถูกแผ่นดินสูบเพราะคำสาปของพระสมณโคโดมสมเด็จพระราชบิดาของเราเป็นอะไรเป็นพระบิดาแห่งชายาของพระสมณโคโดม พระสมณะโคโดมไม่ยอมพูดด้วยเมื่อสมเด็จ ก, กลับแล้วยังพูดกับภิกษุสาวกอีกว่าพระเจ้าสุปาพุทธบิดาของเราจะถูกแผ่นดินสูบในวันที่เจ็นับจากวันนี้ไปและพระบิดาก็ถูกแผ่นดินสูบจริงคิดมาได้เพียงนี้โทสะพรุ่งขึ้นท่วมท้นจิตใจทําให้พระเทวทัตสันเทิรมไปทั้งองค์ ความเครียดแค้นชิงชังพระศาสดาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดทันใดนั้นพระเทวทัตลุกทะลึ่งขึ้นกระทืบเท้าแล้วเดินออกจากร่มไม้สู่กลางแจ้งในตาแดงกล่ำด้วยฤทธโทสะและพยาบาทท่านแหงนขึ้นมองท้องฟ้ายกหัดขวาขึ้นพร้อมได้กล่าวปฏิญญาณว่าขอให้ฟ้าดินจงเป็นพยานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าจะขอตั้งสัตว์อธิษฐานต่อเทพพยดาฟ้าดินว่าขอเป็นศัตรูล้างผรานพระสมณโคโดมจนถึงที่สุดพระสมณโคโดมกับข้าอย่าได้ร่วมแผ่นดินกันเลยพระสมณโคโดมทําข้าเจ็บช้านักขอแก้แค้นพระโคโดมเพื่อล้างแค้นของข้าและเพื่อสมเด็จพระราชบิดาซึ่งสิ้นพระชนไปแล้วเพราะพระสมณโคโดมเป็นเหตุ พระเทวทัตกลับเข้ากุฏิด้วยอารมณ์ร้อนรุ่มเหมือนเกลือนฐานเพลิงเข้าไปท่านเยียดกายลงนอนบนเตียงน้อยเอามือกายหน้าปากถึงกระนั้นก็ไม่อาจระงับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้มันกระเจิดกระเจิงสับสนวุ่นวายสุดจะประมาณท่านคิดคิดแล้วคิดอย่างหนักหน่วงลึกซึ้งหาอุบายที่จะแก้แค้นพระาศาสดา ความรู้สึกของท่านเวลานั้นเหมือนเด็กน้อยเดินสะดุดซุ่ท่อนใหญ่แล้วคิดทำร้ายซุ่ด้วยกมปั้นน้อยของตนพอดีเสียงระฆังดังเง่งงางขึ้นเป็นสัญญาณเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเตรียมตัวลงฟังโอวาทจากพระศาสดาเสียงระฆังนี้ได้ช่วยหยุดอารมณ์ฟุ้งซ่านของพระเทวทัตลง ท่านกลับมาคิดเรื่องที่จะลงฟังพระโอวาจากพระาศาสดาดีหรือไม่เมื่อคิดถึงผลได้ผลเสียทุกอย่างแล้วท่านจึงตกลงใจว่าควรฟังโอวาทของพระาศาสดาเป็นอุบายอันหนึ่งมิให้พระพุทธเจ้าทรงระแวงว่าตนคิดไม่ซื่อต่อพระองค์แสดงตนให้พระาศาสดาทรงเห็นว่าตนยังมั่นคงอยู่ในความพักดีคืนนั้น พระศากยะมุนีประทับสง่าอยู่ท่ามกลางภิกษุบริษัทเปล่งปรังด้วยรัศมีซึ่งสำเร็จมาจากธรรมพระเทวทัตมองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สู้จะเต็มตานักมีความหวั่นเกรงอยู่คลันคลันว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงล่วงรู้ถึงความรู้สึกภายในของตน พระศาสดาทรงเริ่มพระธรรมเทศนาด้วยเรื่องให้ภิกษุทั้งหลายกลมเกลียวสามัคคีกันมองกันด้วยสายตาซึ่งแสดงไมตรีจิตต่อกันและกันหวนใจในความทุกข์ของผู้อื่นอยู่ร่วมกันด้วยพารดอนภาพมีธรรมวินัยเป็นเสมือนมารดาบิดาพระองค์เป็นเพียงพี่เลี้ยงผู้ชี้ทางแนะนำทางเท่านั้น ทรงเชื่อมพระธรรมเทศนาตอนต้นด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตต์ด้วยเมตตาในท่ามกลางดังนี้ภิกษุทั้งหลายคราวหนึ่งเราตถาคตเคยตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระนางมาลิกาว่ามองดูไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่เห็นใครอื่นที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนบุคคลผู้อื่นก็ย่อมจะรักตัวของตนเองเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพิกษุทั้งหลายบุคคลถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งก็ไม่ควรจะเบียดเบียนตนควรรักษาตนไว้ให้ดีการทําทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเรากล่าวว่าเป็นการเบียดเบียนตนไม่รักตนผู้ประพฤติตนในสุจริตชื่อว่าเป็นผู้รักตนภิกษุทั้งหลาย ขันติและเมตตาเป็นอาวุธประจำตนสำหรับภิกษุเมื่อมีขันติเธอย่อมขุดมูลรากแห่งการทะเละวิวาเสีได้เมื่อมีเมตตาเธอทั้งหลายย่อมเป็นที่รักที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ศาสตราและอาวุธไม่อาจกล้ำกรายสัตว์ร้ายก็ยำเกรงจิตใจเป็นสมาธิได้เร็วมีสีหน้าผ่องใสหน้าเคารพกราบไหว้หน่าทำบุญ ย่อมเป็นผู้มีลาบมากมีสักการะมากพระพุทธองค์ทรงเชื่อมพระธรรมเทศนาในถ้ำกลางด้วยพระดํารัสอันปฏิสังยุตต์ด้วยลาบยศสักการะดังนี้แต่ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความโลภในลาบสักการะเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมลาบสักการะมักจะเป็นเครื่องมือฆ่าคนชั่วได้เสมอภิกษุทั้งหลาย ลาบสักการะเป็นของเผ็ดร้อนน่ากลัวน่าหวาดเสียวเธอทั้งหลายไม่พึงติดใจในลาบสักการะนั้นพระธรรมเทศนาของพระศ า, าสดาในคืนนั้นเป็นดุดน้ำเย็นชฉลมลูบดวงจิตของภิกษุทั้งหลายให้ชุ่มฉ่ำแต่ไม่อาจระงับความเร่าร้อนในดวงใจของพระเทวทัตให้สงบเย็นลงได้ไฟโทสะและพยาบาท ซึ่งคุกรุณยในดวงใจของพระเทวทัตมีมากเกินไปจนไม่อาจดับได้ด้วยธรรมวารีซึ่งพระผู้มีพระภาคราดรถลงมาพระเทวทัตกลับมองเป็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเทศนาเสียดสีตนพระดํารัสของพระพุทธองค์จึงกลายเป็นเหมือนน้ำมันราดรถบนกรองเพลิงเขา กลับสู่ที่พักด้วยความรู้สึกรุ่มร้อนยิ่งขึ้นเข้าห้องปิดประตูลั่นดานนอนคิดหาอุบายทำลายพระผู้มีพระภาคต่อไปพระเทวทัตนอนทบทวนพระธรรมเทศนาด้วยความปวดร้าวใจทำอย่างไรหนอจึงจะมีช่องทางแก้แค้นพระสมณโคดมได้ พระเทวทัตคิดงานนี้เป็นงานใหญ่การทำงานใหญ่จะต้องมีพวกเราจะหาใครมาเป็นพวกภิกษุทั้งหลายส่วนมากก็อยู่ในโอวาทของพระสมณโคโดมตั้งใจยอมฟังรับปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมณโคโดมโดยที่ไม่มีการขัดแยง้งหรือตั้งข้อแม้แต่ประการใดมองไปทางคฤลือหัด พระราชาทิปดีประเสริฐที่โคศนก็เคารพเลื่อมใสในพระโคดมทางแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารเล่าก็ได้ข่าวว่าเป็นพระโสดาบันไม่มีทางที่จะถ่ายถอนความเคารพเลื่อมใสในพระโคดมได้อชาติศัตรูราชกุมารอ่าอาชาติศัตรูราชกุมารพระเทวทัตคิดมาถึงตอนนี้ เหมือนมีแสงสว่างวาบเข้ามาในสมองอาชาติศัตรูราชกุมารยังเยานักยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีถ้าเราหวาล้อมด้วยคำหวานชักชวนมาเป็นพวกได้สำเร็จคราวนี้แผนการแก้แคข้นของสมประสงค์เป็นแน่แท้พระเทวทัตลุกทะลึ่งพรวดขึ้นจากเตียงเปิดประตูออกมายืนหน้ากุฏิ แสงเดือนสาดส่องลงมาสู่บริเวณมณฑลสีขาวนวลเย็นชื่นฉ่ำพระเทวทัตมองดูดวงจันทร์และก้อนเมฆซึ่งลอยเคลื่อนคล้อยตามแรงลมรู้สึกความรุ่มร้อนลดลงเกินครึ่งแล้วคืนนั้นพระเทวทัตเข้านอนด้วยดวงใจที่เต็มไปด้วยความหวังหวังในความสำเร็จแห่งแผนการแก้แค้นพระตถาคตเจ้ารุ่งขึ้น จึงออกเดินทางจากนครโกสัมพีมุ่งหน้าสู่รัชคลึอันมีนามอีกอย่างหนึ่งว่าเบญจคีรีนครเมื่อได้โอกาสสักวันหนึ่งจึงเข้าเฝ้าเจ้าชายอาชาตศัตรูได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะที่เจ้าชายสขคบนับถือพระเทวทัตเป็นอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์มาแต่เช้าเจ้าชายทรงทักทายปฏิสันทาน มีธุระอะไรรีบร้อนหรือหามิได้องค์ชายพระเทวทัพตอบอัตมาาพว่างจากธุระส่วนตัวและคิดถึงองค์รัฐธายาตจึงเข้าเฝ้าและเยี่ยมเยียนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ในความการุณานี้เจ้าชายทรงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการข้าพเจ้าซาบซึง้งในน้ำใจของท่านอาจารย์ยิ่งนะัก ที่มีความการุณาและห่วงใยข้าพเจ้าเสมอมามีอะไรจะให้ข้าพเจ้ากระทำตอบแทนท่านอาจารย์บ้างข้าพเจ้ายินดีเสมอขอขอพระทัยเจ้าชายเช่นเดียวกันพระเทวทัต ต, ตอบข้าพเจ้าสังเกตดูรู้สึกท่านอาจารย์จะซึมเศร้าไปไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนวันก่อนๆพระอาจารย์มีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือ เจ้าชายตรัสถามด้วยความเป็นห่วงจริงๆก็มีบ้างเล็กน้อยองค์ชายพระเทวทัตแท้แท้ทำหน้าเศร้ามากขึ้นเรื่องอะไรหรือท่านอาจารย์ความเดือดร้อนของท่านอาจารย์ก็เหมือนความเดือดร้อนของข้าพเจ้าเองอาตมาภาพคิดถึงสมเด็จพระราชบิดา ซึ่งสิ้นพระชนลงอย่างน่าสลดองค์รัตถายาทรงทราบเรื่องนี้ดีแล้วไม่ใช่หรือทราบดีท่านอาจารย์เรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงประทำรุนแรงไปหน่อยเจ้าชายตรัสปรอบคิดถึงเรื่องนี้ทีไรอัตมภาพไม่สบายใจทุกครั้งทงั้งๆที่คิดไปในทางดีพยายามให้อภัยในการกระทําของพระสมณโคดม แต่ก็หักใจไม่ให้วุ่นวายมิได้พระราชกุมารมีสีพระพักสลดลงพระเทวทัตเห็นอาการดังนั้นซ่อนความรู้สึกพอใจไว้ในหน้าแล้วกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องสมเด็จพระราชบิดาก็เรื่องหนึ่งแล้วมาเรื่องของอัตมาภาพเองอีกตั้งแต่ออกบวชมาพระโคโดมพยายามเกียกันทุกทาง เหมือนอาตมาภาพเป็นศัตรูของพระองค์ทั้งท่ที่อาตมาภาพตั้งใจสามิพักแต่พระโคโดมหามองเห็นใจพักดีของอาตมาภาพไม่คม ข, ของพระเทวทัตก่อให้เกิดความสงสารยังจับจิตแก่เจ้าชายรัฐายาแห่งแคว้นมคตผู้ยังมองโลกในแง่บริสุทธิ์และไม่จัดเจนต่อเลขกลมารยาของโลกเมื่อความสงสารเห็นใจเกิดขึ้น ก็อยากช่วยเหลือดังนั้นราชกุมารจึงตรัสว่าพระอาจารย์มีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือบ้างไหมพระเทวทัพดีใจเหลือล้นต่อพระดำรัสถามประโยคนี้แต่ก็ซ่อนไว้ตามวิสัยของผู้จัดเจนต่อเหลี่ยมคูในเชิงสนทนาแล้วกลับพูดไพร่ไปว่าอาตมาภาพขอขอพระทัยพระมหากรุณาขององค์ชาย รัชทายาทเป็นอย่างสูงที่มีน้ำพระทัยปล่อยทุกร้อนและปรารถนาจะช่วยอัตมภาพแต่เวลานี้องค์ชายยังไม่ได้ครองราชสิทธิขาดในราชสมบัติจะช่วยอะไรอัตมภาพก็คงไม่เต็มพระสติกำลังเรื่องนี้ประการหนึ่งที่อัตมาภาพรู้สึกวิตกกังวลอยู่มากคือเวลานี้อัตมภาพก็แก่แล้ว ไม่ทราบว่าความตายจะมาถึงในวันใดไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่อาตมาภาพปรารถนาเหลือเกินหรือที่จะได้มีโอกาสได้ภูมิใจกับสิ่งที่อาตมาภาพหวังอยู่เสมอหรือไม่พูดเท่านี้แล้วก็หยุดอยู่เพื่อรอดูคำถามจากราชกุมารและเหตุการณ์ก็เป็นไปได้สมใจนึกสิ่งนั้นคืออะไรพระอาจารย์พระยุพ ร, ราชตรัสถาม สิ่งนั้นคือการครองราชเสวยสมบัติครองความเป็นใหญ่ทั่วพื้นเมธนีแห่งแคว้นมคตของพระองค์ถ้าอาตมาภาพได้เห็นสิ่งนี้เมื่อใดแม้ความตายจะมาถึงในวันนั้นอาตมาภาพคงนอนตายตาหลับพระเทวทัตทูลอย่างหนักแน่นมั่นคงและจ้องมองพระยุพราชเหมือนจะรอฟังว่าองค์รัชทายาท จ, จะตรัสประการใด